พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จ็บลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นคนนั้นแหล วันนี้เป็นวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2557นักเรียนครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านอาจารย์โอรทัยได้มาติดต่อประสานกับหลวงพ่อว่าจะนำนักเรียนมาทัศนศึกษา แถบอำเภอนายุงและก็ก่อนที่จะขึ้นไปกราบพระศีหาสย ญ, ญาติพระนอนที่ภูก้อนอยากจะมาแวะวัดหลวงพ่อก่อนวันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็มาถึงวัดหลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนทั้งหมด480แล้วก็ครูอีก ประมาณส0สิบโรงเรียนอุดอรพัฒนาการเป็นนักเรียนมสีมหมหกนะพออนะ เ, ออเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ของเมืองอุดอรเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองหลวงตาเองเห็นลูกเห็นหลานจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเห็นลูกหลานแล้วก็ตั้งความหวัง ไว้กับลูกหลานเพราะว่าปี58เนี่ยประชาคมอาเซียนก็จะเข้ามาเออเมืองไทยก็จะได้เข้าประชาคม อ, อ, อาเซียนเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะเตรียมเตรียมพร้อมมันลูกหลานนะเออเรื่องภาษาเนี่ยสำคัญมากพวกเราจะต้องได้ภาษา ถ้าาว่าพวกเราใส่ใจไม่หนักหนาไม่มีปัญหาแต่ขอให้ตั้งใจเรียนนะลูกหลานเพราะอนาคตของเรายังไกลเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งแล้วก็จะจบม .6 แล้วก็คงจะเข้ามาหาวิทยาลัยอีก4ปีก็จบเมื่อจบขึ้นไปแล้วก็พวกเราจะได้ทำการทำงานหางานที่ดีได้แต่หาว่าพวกเรา มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นไม่ได้สนใจในการศึกษาในการเร่าเรียนอนาคตของเราก็อาจจะไม่สดใสเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจศึกษาเพราะนั้นลูกหลานให้ตั้ง อ, อกตั้งใจนะลูกหลานนะเพราะว่าเมืองไทยของเรากําลังจะเข้าประชาคม อาเซียนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าหากว่าพวกเราเป็นประเทศที่เป็นเอกราชมานมานาน เ, าเมื่อเข้าประชาคมอาเซียนลูกหลานของเราเดินตามหลังเขาไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ขอบอกกล่าวทั้งครูบาอาจารย์ทั้ง ลูกหลานเด็กนักเรียนด้วยนะให้ตั้งอกตั้งใจเรียนให้ต้งองตั้งกตั้งใจศึกษาถ้าหากว่าพวกเราตั้งต้นดีแล้วนะอนาคตของเราก็จะลาบรื่นไปด้วยดีแต่ถ้าว่าพวกเราเด็กนักเรียนของพวกเรามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นแตถ่ถึงยังไงก็ตาม ที่หลวงพ่อได้ยินหลวงตาได้ยินนะโรงเรียนต่างๆาบางทีขึ้นมาก็าชกต่อยตีกันลักษณะอย่างนี้นะ่ะอย่าได้มีนะลูกหลานเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นคนเมืองไทยเป็นประเทศชาติชาติไทยเดียวกันคนบ้านเดียวกันเมืองเดียวกันทำไมพวกเราจึงคิดได้ยังไงจึงไปทำอย่างนั้น หลวงพ่อเองอย่างพระเนนของหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยพยายามบอกกล่าวเรื่องพระเรื่องเนนของหลวงพ่อเนี่ยเรื่องทะเลาะบบกแวงกันอย่าให้มีนะพระเนนลูกหลานของเรานะให้รักให้เมตตากันให้สงสารกันถ้าว่าพวกเรามีความรักเมตตากันอยู่ด้วยกันก็จะล่มเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่เมตตาไม่ให้ความเคารพรักกันแล้วพวกเราจะหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานแต่ถึงยังไงก็าตามให้ลูกหลานเป็นคนดเีเรื่องยาเสพติดลูกหลานทั้งหลายให้ห่างจะเป็นยาบ้ายามาคัญชายาฟินและยาบุรียาสูพวกกาวฮะลูกหลานอย่าไป อย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปทดลองเอออย่าไปทดลองเพราะว่าหลวงหลวงตาเนี่ยมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้มาก เ, เขาบอกว่าท่านหลวงตาเรื่องยาบ้าเนี่นะติดเร็วนะเออติดเร็วมากสมมติว่าเออ โรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนหน้านี้น่ะทางมุกดาหารเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้นักเรียนคนไหนติดยาบ้าเนี่ยดูดูแล้วก็คนนี้เป็นคนรวยมีคนมีฐานะที่มาโรงเรียนแล้วก็เอาน้ําหวานให้กินถ้าเขามาซื้อน้ําหวานเอาน้ําหวานให้กินแล้วก็ใส่หลอด ดูดเข้าไปใส่ในแก้วนั้นอ่ะไม่เกินสองครั้งครับติดเพราะนั้นโรคหลานทั้งหลายเนะี่ยที่พูดให้ฟังเรานี่ไม่ใช่ลูกให้ให้ลูกหลาน เ, เรียนแบบนะให้ลูกหลานเราหวังเอาไว้ว่า เ, เมื่อเราสูบยาวหมู่หมู่พกเพื่อนชวน เ, เสพหรือสูบเลืกกินอะไรก็ตาม ลูกหลานอย่าอย่าไปทดลองออสรุปแล้วนะลูกหลานอย่าไปทดลองถ้าทดลองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเท่านั้นอนะ่ะติดเลยเพอติดแล้วถอนไม่ขึ้นเีนี่แหละสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทาขืนทำเข้าไปแล้วนะ่ะมันถอนยากเห็นไหมเดี๋ยนี้อนาคตคนที่ติดยาบ้ามันเป็นยังไง เสียหมดเลยเสียตัวเองได้ยังไปแล้วยังเสียพ่อแม่เสียวงศาคณาญาติอีกเพราะท่านสิ่งทั้งหลายทั้งมวลให้ระมัดระวังและก็พร้อมกันการครบค้าสมาคมการครบกับคู่คนหมู่พวกเพื่อนต้องดูไม่ใช่ว่าเราเห็นหมู่พวกเพื่อนแล้วก็จะไปคบกันเลยไม่ได้นะลูกหลาน ถ้าว่าคนดเีเรียกว่ากันระยาณมิตรถ้าหากว่าหมูไม่ดีเรียกว่าปลาปมิดกันระยะน้ำมิตรคือมิตรที่ดีปาปมิตรคือมิตรที่เลวเอชักชวนหมูไปในกินเหล้าเมายาเสพคัญชายาฝิ่นเฮโรอีอนพาหมูไปทางที่ชั่วอ าพาผูกหมูเกลเลออันนั้นเลยว่าปาปลมิตรถ้ามิตรที่ดีแล้วก็ซักชวนไปเออเราจะเรียนหนังสือที่ไหนเราจะเรียนยังไงวิ ช, ชาที่เราเรียนมันออดเรามีครูบาอาจารย์ที่ไหนหมูพวกเพื่อนที่จะแนะนำบอกเก่าสอนเราได้มีไหมเราต้องหาช่องทางที่เราจะพัฒนาตัวของเราให้สูงขึ้น อันในระหว่า ก, กันระยานามิรมิรที่ดีชักชักชวนไปในทางที่ดีถ้าหากว่าชักชวนไปในทางที่ไม่ดีนะว่าปาปะมิดนะแต่ถึงถึ ง, ถงยังไงก็ตามให้พวกเราเลือกครบเลยเลือกครบกันระยานามิรแต่ตาไม่จริงปาประมิรก็เถอะนะเราก็ไม่ได้ดังเกียรติเดียดสารเขาเแต่ว่าเราก็พูดกันได้ทํากันได้ แต่วาสนิตตายใจจริงๆก็คือกัลยาณมิตรเพราะว่ากัลยาณมิตรนี่น่ะจะนำเราไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกไว้ว่าครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละนี่แหละท่านว่าครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละ ถ้าว่าเราไปครบคนที่ชอบดื่มสุราไปใหม่ๆแล้วโอหอันนี้ชอบดูดื่มสุรานะแต่พอต่อมาหมูไอ้ท่า น, นก็ชวนเอ๊ะดื่มมันดีนะวะเพราะในส่วนเราก็ดื่มเขากับเขาหน่อยหนึ่งเพราะในส่วนเราก็เลยดื่ม เ, เหมือนกับเขาไปถ้าเราเห็นหมูพวกเพื่อนสูบปูเลอที่แรกก็เนี้ยหมูพเพื่อนสูบปูเี่ไม่น่า ไม่น่าจะสูบบุหรี่พอต่อไปคบกับเขาไปนานตัวเองก็ได้สูบบุหรี่กับเขาไปด้วยแต่มันสูบบุหรี่มันเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายมากแต่ก็ไม่สมควรมันเสียหายเพราะไม่ใช่ไวของเราจะสูบบุหรี่เพราะว่าเงินของเราทุกบาททุกสตางค์พ่อแม่หามาให้สำหรับให้เราเรียนหนังสือเป็นค่าอาหารค่ารถ เแล้วก็ค่าให้เกิดประโยชน์เอถามคุณพ่อคุณแม่เลยสิคุณพ่อคุณแม่ครับเอผมขอเงินไปสู่บุรีครับเป็นค่าบุรีครับท่านกงไม่ให้เราอ่าเพราะเหตุไรเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่เราขอไปนะั่นก็ขอไปเพื่อเรียนเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นอาหารกลางวันพ่อแม่ก็ให้ในเมื่อให้แล้วนะ่ะเราเอาไปใช้ผิดประเภท มันต้องคิดนะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเอาเงินไปของพ่อของแม่ไปใช้ไม่ในไม่ไม่ไปในจุดประสงค์ของพ่อของแม่แต่ถ้าว่าเป็นเงินของเราก็ไม่ว่ากันถ้าเงินของเราเราทำการทำงานต่อไปภายภาคหน้าเราได้เป็นพนักงานได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นได้ทำการทำงานแล้วถ้าเราได้เงินมาเอ อ, เ, อ, อเราจะซื้อ ของที่เราต้องการก็ไม่ว่ากันแต่นี่เป็นเงินของพ่อของแม่เนี่ยเราเป็นลูกของท่านเราจะใช้จับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินของพ่อของแม่เนี่ยต้องคิดให้ดีนะลูกหลานนะอต้องคิดให้ดีเพราะว่ายังไม่ใช่เงินของเราเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนี่แหละอันนี้ก็คือาการใช้จ่ายแล้วก็การครบค้าสมาคม หลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักเรื่องจุดนี้แหละเรื่องคบค้าสมาคมกัลญาณมิตรเนี่ยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องนี้มากเพราะว่าการครบค้าสมาคมคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละอย่างนี้แหละนี่ลงตาจะเล่าเป็นชาดกให้ฟังนะลูกหลานนะเพราะถ้าว่าพูดไปอย่างนี้ลูกหลานก็คงจะจาไม่ได้ลืม เออลืมได้ง่ายเพราะไม่มีต้นต้นเรื่องจับนะแต่ลกตาจะพูดให้ฟังว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชิตะวันออท่านครบท่านพูดเกี่ยวกับมีพระสององค์องค์หนึ่งนิสัยไม่ดเออีเป็นหมู่ของพระเทวทัตดีองค์หนึ่งเป็นหมู่ทางออพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระ ไปคบสมาคมกันพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคบสิ่งที่คนเลวนะถ้าคบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะมันเป็นมาแต่ดึกํำบันมาแล้วนะพระสงค์ทั้งหลายกระลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ว่าดึกตำบวันานมาแล้วนะ่ะที่ว่าไปคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง พระเจ้าพร ม, มทัตคลองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเนะเมื่อพระเจ้าไปนดินคลองราชอยู่ในกรุงพารานาาสีตามพจริงพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเขาต้องมีมา้าใช่ไหมมีช้างมีมา้าคือเพื่อจะเป็นพาหนะซื่อสู้ศึกสงครามสมัยนยึคือช้างกับม้าเนี่ยคือเป็น เป็นพาหะที่พอเข้าสู่ศึกสงครามแต่นนี้นพระเจ้าพรมทัตก็มีมา้ามีม้าโปรโดตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้จากนั้นก็ให้นายสารถาีคือว่าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลมา้เาเป็นดูแลม้าอย่างดีพมเป็นม้าพระเจ้าแผ่นดิน พอต่อมาม้าตอนนั้นก่อนเนี่ยนายผู้ดูแลมานะ้าป่วยไม่สบายาก็เลยลาออกลางานาลางานการเลี้ยงมา้าต่นี้เขาก็เลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาคนนี้ก็เลี้ยงม้าเก่งดูแลรักม้ามากแต่คนขากระเพกคนขาเป๋เหมือนกันคนขาเป๋ ไปเลี้ยงมา้าต่อมานี่ก็เวลาจะไปเปิดประตูคอกม้าเสร็จแล้วก่อเดินนําหน้าม้าบางที่เดินไปพาไปกินหญ้าอแล้วก็พาไปท่าน้ําอาบน้ำให้ม้าแล้วก็เดินนําหน้ า, า, า, กน า, กนาอกจะบอกเดินก็เดินขาขากระเพกขาเป๋นเนี่ยทีนี้ต่อมาต่อมาม้าตัว น, นั้นน่ะ ม้าแสนรู้ตัวนี้นะ่ะเห็นนายควานนายนายเลี้ยงมานะ้าเนี่ยนายสารถีที่ดูแลมานะ้าเนี่ยเดินขะเพกขะเพกขะเพกนําหน้าเนะีม้าตัว น, นั้นมันก็เข้าใจว่าไอ้ลูกพี่นะี่สอนสอนวิธีเดินให้เดินอย่างนี้นะแต่ต่อมา้มาตัว น, นั้นก็เดินเดิ น, เ ด, นเดินขะเพกขะเพกนะเออเดินสามขาเฉยท่นี้ ทั้งนายพลขุนพลทั้งหลายก็เอ๊ะม้าของพระเจ้าแผ่นดินทำไมทําไมเดินอย่างนี้วะเดินอย่างนี้มันจะเป็นม้าทรงของม้าของพระเจ้าแผ่นดินได้ยังไงท่นี้ก็พระเจ้าปผ่นดินมันเป็นยังไงมันดูซิ่งพอมาดูแเอ๊ะมันทําไมมันเดินเดินขากระเพกกระเพกอย่างนี้ล่ะก็เลยเอาหมอเอาแพทย์หลวงมาเอาแพทย์หลวงมาแลมาตรวจ มาจับแข้งจับขาจับตีนดูมันมันมีหนามหรือเปล่าหนามตามเท้ามันหรือเปล่าหรือข้อเท้ามันเป็นอะไรบ้างก็มานวดมาดึงมาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรปกติแต่แล้วเวลามันเดินมันเดินขะเพกขะเพกเดินสามขาเพระเาะนั่นก็เลยพระเจ้าเป็นดีนเอาถ้าอย่างนี้มันก็ต้องปลดระหว่างนะมาเดินสาม ม้าเดินสามขาอย่างนี้เป็นเอกเป็นม้าไปจะเอาเป็ น, ปปนดินได้ยังไงใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เสนาอํามาตย์ทั้งหลายก็เรียกไปชมกันนะเนี่ยอำมาตย์ใหญ่มาไปชมกันแล้วก็เอาม้ามาดูเอาม้ามายืนดูมากันทั้งไงให้แพทย์หลวงตรวจแล้วตรวจดีก็ไม่มีอะไรผลี่สุดอโปโรหิตตาจายนโปรโรหิตตาจานคือเป็นคนปรึกษา งานข้าราชการงานเมืองของพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าโปโลหิตตาจานใครเขว่าเป็นที่ปรึกษาใหญ่เรื่องราวทั้งหลายปรึกษาใหญ่ก็มีอยู่สามสี่คนที่ปรึกษานะแต่โปโลหิตคนนี้บอกว่าเอาเธอครับผมจะทดสอบทดลองดูผมจะดูผมจะดูเป็นกรณีพิเศษสักหน่อย แล้วผมจะเรียนให้ทราบสักสองสามวันผมขอดูครับผมดูสักสองสามวันแล้วผมผมจะจะให้คำตอบครับผมจะดูสะ ก, ก่อนจากนั้นเขาก็เลยโปรโลเหตตายจานคนนี้ก็สังเกตดูนะแปลว่าเอาตาจับมองมองตั้งแต่เช้าเลยละ่ะมองมาตัว น, นี้เ อ, อ, อากับกิริยาจนถึงค่ำแล้วก็คนเลี้ยงก็ กดเลีเ้ยงก็ดูแล้วก็ม้าก็ดูดูมา้าดูคนดูสิ่งแวดล้อมต่างๆพอได้สุดวันที่สี่เขาบอกว่ามไม่ได้สงสัยอย่างอื่นไม่ใช่มา้าไม่ใช่ม้าพิการม้าตัวนี้เป็นมา้าแสนรู้ในเมื่อคนที่ไปเลี้ยงม้าเนี่ยคนขาเป๋คนขากระเพกม้าตัวนี้มันอาจจะเรียนจากจากไอเจ้านี้ก็ได้ ควรจะควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนม้าควรจะเปลี่ยนคนคนเลี้ยงใหม่คือครือป ร, ปรโรหิตตายจานเสนอในที่ประชุมเสนอขึ้นผ่านไปถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพระเดี๋ยเออเอาเอาเ อ, าเ อ, าเอาตามที่โปรโรหิตตายจานแนะนําจากนั้นก็หาคนที่ตัวใหญ่สูงสามารถท่าทางมาเลี้ยงม้าตัวนี้ พอมาเลี้ยงแต่ี้คนคนนี้ก็เป็นผู้พานำเดินไปอาบน้ำเดินไปกินหญ้าเดินไปออกกำลังากายออกไปวิ่งไม่ถึงอาทิตย์ม้าตัวนั้นก็เลยเดินปกติาขาปกติไม่มีอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงท่านจึงตรัสว่าเท่นะถ้าหนะาว่าครบคนใด เป็นเช่นคนนั้นแหละเนะี่ยคือคำคำคำาสิทธิ์คํานี่แหละออกมาจากจุดนี้คือเอม้าตัวนั้นเรียนไปเรียนไปเรียนแบบที่คนขาเป๋เนี่แหละลูกหลานทั้งหลายก็เหมือนกันนะั่นแหะถ้าเราไปคบคนที่ไม่ดีต่อไปอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีจะจะตามเขาไปาถ้าโลกเราเป็นคต คบคนที่เล่นการพนันเราจะเล่นการพนันกับเขาถ้าเราไปคบคนกินเหล้าเราจะไปกินเหล้ากับเขาถ้าเราไปคบคนที่กินคัญชายาฝิ่นเฮโลอินยาบ้ายามาอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นตามเขาตามเขาเพราะนั้นให้ลูกหลานสังเกตนะลูกหลานที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลูกหลานสังเกตเพราะนั้น ในหลักธรรมคำสอนของพรกพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าอย่าคบ อ, อย่าคบคนไม่ดีอย่าไปคบปาปะมิตรให้คบกันระยานน้ำมิตรอันนี้ก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้ให้สังเกตให้ฟังและก็พร้อมกันลูกหลานลูกพวกเราเกิดมาจากใครเกิดมาจากพ่อจากแม่ เอพวกพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกลูกหลานทุกคนเพราะนั้นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาท่านก็ดูแลอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเงินในในครอบครัวก็พยายามส่งให้ลูกเรียนหนังสือมีเท่าไหร่ยากจนขนาดไหนกู้เยือมาเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายให้ให้มองนะ ให้มองพ่อให้มองแม่ของพวกเราแล้วก็พร้อมกัน เ, เมื่อเราเรียนหนังสือแล้วถ้าใครอยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านากลับไปบ้านคอยช่วยพ่อช่วยแม่อันนี้หลวงพ่อว่าเนี่ยลูกหลานทั้งหลายอย่าไปมองข้ามนะลูกโดยมากลูกหลานทุกวันนี้ที่ที่เห็นเห็นพ่อแม่เคยบน่นมาบ่นให้หลวงพ่อฟังเหมือนกันนะอพอหลวงพ่อเนี่เป็นพระสาธารณะนะลูกหลานนะ เป็นพระส่วนกลางถ้ามีอะไรเขาก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อได้ยนินหลวงพ่อก็เอเอลูกหลานทั้งหลายเด็กรุ่นใหม่แต่ถึงยังไงก็ตามาให้เป็นผู้ใฝ่ในการเรียนการศึกษ า, าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีให้พยายามทำแต่สิ่งที่ดี เ อ, อแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสืออีกไม่นานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าประชาคมอาเซียนจะเข้ามาแล้วเรื่องการเรื่องงานหลวงพ่อไม่ต้องห่วง เ, เพราะว่าถึงยังไงประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหลักอยู่แล้วถ้าหากว่ามีการทำการทำงานพวกเรากับหลวงพ่อก็มั่นใจว่าพวกเราก็คงจะเป็นหลัก ได้แต่ถ้าลูกหลานไม่ทําให้เสียหายเท่าไูกหลานถ้าไปกินติดยาบ้ายาม้ากัญชา ย, ยาฟินติดเหล้าติดยาไปเ อ, อื้อนั้นลูกหลานหมดอนาคตแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าลูกหลานตั้งตนตั้งตัวตั้งตนเรียนหนังสืออยูอ่แล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ทําหน้าที่การงานเชื่อใน ครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่แหละครูบาอาจารย์ที่มานั่งที่เป็นครูบาอาจารย์ให้พวกเราศึกษาให้พวกเราถามถ้าใครก็ตามไม่เข้าใจในจุดไหนเออไม่จุดไม่เข้าใจเดินเข้าไปหาครูเลย เ, เขียนเสีกระดาษเข้าไปเลยอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจจุดนี้หนูไม่เข้าใจจุดนี้ช่วยอธิบายให้หนูฟังด้วยผมฟังด้วย ถ้าครูบาอาจารย์ก็มีแก่จิตแก่ใจเพราะท่านเป็นอาจารย์จะสอนเราอยู่แล้วเออใช่อันนี้พวกเราก็คงจะอ่อนไปว่าเด็กนักเรียนเขาถามมาจุดนี้เนะี่ยท่านก็จะได้ตั้งประเด็นขึ้นมาจะได้สอนพวกเราให้เข้าใจในวิชาความรู้นะอันนี้ก็คือเรื่องวิชาความรู้เรื่องศิลธรรมอีกต่างหากนะลูกหลานนะเรื่องศิลธรรมเนี่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าหลวงพ่อพูดแต่เรื่องความรู้อย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องสอนเรือศีลธรรมแล้วเหมือนกับพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาแลยไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมศีลธรรมคือหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาคือศีลห้านะลูกหลานนะศีลหนะ้าเป็นศีลที่คุ้มครองโลกเป็นศีลที่ทําให้คนเป็นคนดีทําให้คนเป็นคนนะศีลห้าเนี่ยทำให้คนเป็นคนศนะนะีลข้อที่หนึ่ง นะพราะพูระรัชยาวาพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันเราคิดดูใิว่าเราคิดอยากจะฆ่านายกนายกก็คิดจะฆ่าเราอีกเหมือนกันต่างคนต่างคิดฆ่ากันนะ่ะแล้วจะเป็นยังไงจะหาความสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราเบียดเบียนซึ่งกันละกันเเขาเรานะในเมื่อคิดไปฆ่าเขาเขาก็คิดมาฆ่าเรา เมื่อเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องวงศาคณาญาติของเขาเขาก็จะคิดมาฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเราจะหาความสุขได้ที่ไหนในอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานคือขโมยสิ่งของของเขาในเมื่อเราไปขโมยสิ่งของเขาเขามาขโมยของเราเราขโมยของเขาและเป็นยังไงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเท่าไหเพราะของเขาขอกรัก สงวนห่วงเห็นของเขาถ้าของเราก็เช่นเดียวกันเราก็รักเหมือนกันเพราะฉนั้นอย่าไปขโมยซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์กันอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สามกาเม่สามีภรรยาลูกหลานน้องของไข่หลานของไข่เขาก็รักของเราก็เช่นเดียวกันตระกูลของเราเราก็รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานของเราถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศิ่ข้อที่สามข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนะลูกหลานนะเขาเราเขาเรา เราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ใจเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเราก็ทุกข์ใจทั้งวงสาคณาญาติของเราด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องเขาเราแต่ศินข้อที่หสุราเมรยะดยาดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกวันนี้สงเคราะห์เข้าไปคัญชายาฝิ่นเฮโรอีน โคเคนมากมายาที่ยาเสพติดเมื่อพวกเราไปเสพหรือดื่มของมึนเมาเข้าไปแล้วขาดจติตเมื่อขาดจติตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างที่นี่ฆ่าใครก็ได้ขมโมยใครก็ได้ประพฤติผิดละลาบและลวกในสามีภรรยาลูกหลานอาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้นี่แหละ สิทธิ์ห้าของพระพุทธเจ้าที่ลูกหลานฤกคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะลูกหลานทุกคนนะที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าให้สั่งรวมให้ระวังนละลูกหลานนะ mm. เขาเราเขาเราไงเมื่อเราไปทําให้กับเขา mm. เขาก็ทุกข์ใจเดือดร้อน mm. เขามาให้ทํากับเราละ่ะเราก็ทุกข์ใจเดือดร้อนเหมือนกัน mm. เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละเรื่องศีลธรรมไม่ได้อยู่ห่างไกลนะ มันด้อยู่ห่างไกลจากพวกเราเลยในศีลหเนี่ยอยู่กับพวกเราทุกคนถ้าหากว่าพวกเราต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้พวกเราเป็นคนดีนะเป็นเด็กดีนะก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระนะลูกหลานหน้าอาราหังพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท เ, เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก่อนที่จะหลับนอนก็ไหว้พระอย่างถึงพระประธาน หรืไม่มีไม่ไม่มีพระประธานก็เถอะนะเอ่ถ้าเราจะนอนแล้วก็กราบเสียก่อนรกราบกาบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะพุทโธธรรมโมสังโฆเอ่กับครั้งหนึ่งพุทโธกับครั้งที่สองธรรมโมกับครั้งที่สามสังโฆแล้วก็สาธุแล้วก็ค่อยนอนอันนั้นเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเรา คดโทคือคือลำลึกถึงพระพุทธเจ้ากล่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองสอนคนให้เป็นคนดีธทำโมก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนให้คนเป็นคนดีสังโคก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังกับพ่อพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าว ให้เราเป็นคนดี เ, เรากระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นสิริเป็นมงคลนะลูกลา น, นเนอร์าวันนี้เอาตอนนี้ก่อนนะอย่าลืมนะลูกลา น, นเนอรเรื่องนิทานเรื่องชาดกนี่ยนะการครบคนใดเป็นเช่นคนนั่นแหละเห็นไหม่ะม้าเนี่ยม้ า, าแสนรู้เนี่ยไปเห็นคนคนเลี้ยงม้าเน่ยเดินขากระเพกนะม้าก็ขี้ว่า เจ้าของเจ้าของผู้เลี้ยงสอนให้ทำอย่างนั้นม้าก็เลยทำตาม mm hmm. เ, ออเลยขากระเพกไปด้วยเพราะนั้นท่านเรียกว่าการครบกับคู่คนออคนเช่นใดจะเป็นเช่นคนนั้นเพราะนั้นเราให้เลือกคบหมูพวกเพื่อนถึงจะเป็นหมูกันก็เถอะแต่ถ้าว่าเขาชวนไปกินเหล้าเยาหยานะ เออแล้วไปขายยาคันชายาฝิ่นเฮรคอื่นอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายมันจะเสียอนาคตของลูกของหลานนะเออมันเสียมันเสียตลอดชีวิตเลยนะทีนี้มันไม่ใช่เสียเล็น้อยนะเพราะนั้นลูกหลานต้องคิดให้ดีที่จะเดินที่จะไปนะสถานที่ใดอยู่นะสถานที่ใดให้ลูกหลานให้รอบคอบออย่าไปาทำแบบง่ายๆสุกเอาเผากินเออแล้วก็เรื่อง เรื่องครบคราสสมาคมคมกู่เหมือนกันนะลูกหลานเ อ, อวัยของเราเดี๋ยวนี้กําลังวัยเรียนหนังสือนะเ อ, อยังไม่ใช่วัยเที่ยววัยเล่นวัยสนุกสนาน อ, อให้ให้พวกเราให้ลูกหลานให้สํารวมให้ระวังแต่หาว่าพวกเราถล่มไปในทางใดทางหนึ่งนะออชอบเที่ยวชอบเล่นเ อ, อไปแล้วเนี่ยจะเสียอนาคตเอคือเราจะทํำจึงไหนก็ตาม ต้องมองถึงอนาคตนะลูกหลานนะอย่างหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อกําลังพูดอยู่เนี่ยหลวงตากําลังพูดอยู่เนี่ยนะหลวงตาก็เคยเป็นเนรมาก่อนนะเป็นเด็กมาก่อนออยู่ในป่าแต่ลูกหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงหลวงตาก็คิดเหมือนกับลูกหลานทุกคนเนี่ยนะเออแต่ได้ยินครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําสั่งสอนเออคิดอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะ ปฏิบัติตนอย่างนี้นะนี่แหละลูกพ่อเองลุงตาเองก็ปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์จนมาถึงปูนนี่แหละลูกหลานนะลุงตาเนี่เคยเป็นสั ม, มนเาณีมาแปปีนะบวชมาตั้งอายุสิอปจบปสี่แล้วลุงตาก็บวชนะออพอบวชอายุสิบเอย่าง12ปีเป็นสั ม, มนเาณีอยู่แปดปีนะแล้วก็พอบวชครบพระ อายุยี่สบเขาให้บวชเป็นพระนะเป็นพระได้คืออายุ20สิปีขึ้นไปคือบรรลุนิติภาวะผู้ที่จะบวชเป็นพระนะต้องอายุยี่สิบนะแต่ถ้ายังไม่ถึง20เป็นสัมมเนกรแต่พงยี่สิบก็บวชพระนะลูกปูหลวงตานะี่ยบวชพระตั้งแต่ปีศูนยดลูกหลานาปีนี่ก็ห้ปีนะชีวิตของเป็นพระของหลวงตาเนี่ยนะหลวงตาบวชเป็นพระมาห้าิปี เป็นสำนันเณงอีก8ปี58ปีชีวิตทั้งชีวิตของหลวงตาชีวิตหลวงตาเดี๋ยวนี้เจปีอายุหลวงตาเดี๋ยวนี้นี่แหละหลวงตาเสียใจไหมที่ได้บวชมาแต่เล็กแต่น้อยมาถึงป่านนี้หลวงตาภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุอะไรเพราะหลวงตาเองไม่ได้ทําความชั่วซาเสียหายไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ได้นําสั่งสอนบอกกล่าว ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงร่ําโรงเรียน เ, เครื่องมือแพทย์สาธารณประโยชน์หลวงตาช่วยหมดสิ่งไหนที่จะเกินเปิดประโยชน์เพราะฉะนั้นหลวงต า, ามาถึงจุดนี้หลวงตาไม่ได้ เ, เสียใจหลวงตาภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกหลานทุกคนนะเกิดมาทั้งทีชีวิตจะทําสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีนะ อยต้องคิดทดีอย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนอย่าเป็นขโมยโพยโจรอย่าเป็นคน เ, เสียหายอย่าทำให้เป็นเป็นคนเลวนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีนะคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เชื่อในโอวาทของครูบาอาจารย์ที่ท่านเจตนาดีอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะเนี่เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข